ฟ <c oughs> ังทรมเรามีโอกาสพบกันตอนเช้าตอนเย็นเราลบธรรมสู่กันฟังเรื่องของธรรมะก็คือ เ, เรื่องของชีวิตจิตใจของเรานี่แหละชีวิตจิตใจของเราประกอบไปด้วยของสองอย่างใหญ่ใหญให่กายกับใจรลกกับนาม เรื่องของโลกก็ไม่มากเรื่องของน้ำก็ไม่มากแต่เราไม่รู้ไม่ศึกษามันจะพาหลงไปหลายอย่างแต่ไม่เกิดความโกรธความโลภความหลงความสุขความทุกข์ความรักความชังถ้าเรารู้ก็เป็นเรื่องของศาสนาเป็นเครื่องดับทุกข์ปลดทุกข กายมันก็หลอกใจมันก็หลอกเรื่องหลอกของกายไม่มากผมได้พูดเป็นภาษาง่ายๆว่าไม่ต้องไปเรียกว่าเวทนาไม่ต้องก็เรียกว่าสุขว่าทุกเรียกมันว่าอาการเท่านั้นก็พอแล้วความหล่อนความหนาวความหนีวความปดความเมือย มันเป็นอาการอาการของกายบางทีมันมีประโยชน์มันเป็นธรรมชาติมันเป็นสัญญาณภัยเมื่อมีภัยจะเกิดขึ้นกับกายกายมันก็บอกว่ามันบอกเราก็เกี่ยวข้องกับสิ่งที่มันแสดงออกให้ถูกต้อง ตอนนั้นก็พอแล้วอย่าไปให้เป็นสองต่ออย่าไปเป็นถึงเรื่องของใจเป็นสุขเป็นทุกข์หรือบางทีกลายเป็นอะไรต่างๆเป็นชีนเิสตันหาเป็นวัตถุที่หนึ่งที่สองที่สามไปไม่เรามาศึกษาเรื่องนี้กัน <c oughs> <c oughs> <c oughs> อะไรคำตอบซะเสร็จ <c oughs> เลยให้มันได้ซะมันจะได้จบไปตลอดพบตลอดชาติแล้วก็จบครั้งเดียวตอบครั้งเดียวก็ตอบได้ทั้งหมดเพราะมีอันเดียวเท่านั้นกายเนก็มี วัตถุที่ทำให้เกิดกรรมคณมีตามีหูมีจมูกมีลูกมีรถมีกลิ่นมีเสียงมีกายมีใจนล้ว่ะมันจะต่อให้เราหลงแล้วเราก็อย่าหลงอย่าให้มันหลอกได้ในสติถอยดูแลมันอยู่นี่เรื่องของใจก็เช่นเดียวกันวังทีใจมันหลอกนะ มันมีธรรมอย่างของใจเนี่ยแต่จะตอบมนันง่ายก็มีธรรมที่เป็นกุศลมีธรรมที่เป็น อ, อกุศลที่เกิดขึ้นกับกิตใจความโลภความโกรธความหลงเป็น อ, อกุศลความรู้สึกความระลึกได้ความมีศีลมีสมาธิมีปัญญาเป็นกุศล บาทีมันมีความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับใจก็อยากไปหลงมีความรู้มีความไม่รู้มีความห่วงในอะไรก็อยากไปหลงสิ่งเหล่นี้มันก็ยังไม่พอยังมีสมมุติตั้งก่ อ, ก, อก่อตัวขึ้นจากสมมุติสมมุติในมันเอาของสองอย่างมารวมกันเอารูปเอาน้ำเอากายเอาใจมารวมกัน เห็นตาเห็นรูป <c oughs> มันก็ก่อให้เกิดสมมุติปัญญาต่อได้ยินเสียงมันกาะให้เกิดสมมุติปัญญาต่อจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสจิตใจมันคิดขึ้นมันมันต่อไปให้เกิดสมมุติปัญญาต่อตัวตรงนี้ก็มีสมมติปัญญาต่าชอบว่าไม่ชอบว่าสุขว่าทุกข์เราก็ต้องรู้มัน มันจะสลับซับซ้อนถึงไหนเราก็รู้มันสมมตปัญญาต์นี่ไม่มากด้วยเป็นลูกก็มีเป็นน้ำก็มีเป็นลูกที่จับต้องได้ก็มีเป็นน้ำที่ผุดเกิดเรียกว่าโอปปาติกะเกิดผุดขึ้นปุ๊บทันทีตายไว้ก็ตายไปปุ๊บทันทีไม่มีซากศพ สมมติปัญญัติสมมุติปัญญัตินี่หลายอย่างปรดีสมมุติเป็นเรื่องศรัทธ์สมมติเป็นเรื่องกลัวสมมุติเป็นเรื่องกล้าสมมุติเป็นเรื่องชอบไม่ชอบสารพัดอย่างไปเชื่อไปหลงจสมมุติปัญญัติก็ให้เกิดความหลงปรดีความหลงเไม่เกิดขึ้นเลยอยมันมีเหตุปัจจัยหลายอย่าง ซับซ้อ น, นแล้วก็สมมต้นญัาดเราก็ไม่พอหรือการสัมผัสปุ๋ยมันเป็นอาการเป็นวัตถุวัตถุเป็นอาการในจกิจใจมันก็เป็นวัตถุเมื่อมันคิดขึ้นมาเป็นวัตถุการสัมผัสกับความคิดวัตถุมันก็เกิดอาการอาการที่มันสัมผัส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 นี่คือวัตถุนี่คืออาการให้มันตรงๆอย่าให้มันเป็นดุนเป็นก้อนถ้ามันไม่มีผู้ดูผู้เห็นเข้าไปเกี่ยวข้องอย่างถูกต้องมันก็ใหญ่โตแต่พราสมมติปัญญิเนี่ยมันต่อจากการสัมผัส บทีมันไม่หมดไม่ได้ต่อจากการส็อปปัตมันเกิดขึ้นมาเองมันดำดินมันบินบนมาก็มีเรื่องสมมติบัญญัติเราอยากไปหลงบางทีมันปฏิบัติไปปฏิบัติไปมันสุกมันรู้มันมอดรู้อันนี้มันก็เป็นของจริงสิ่งที่เรารู้แล้ก็มีความสุขไม่เคยพบเคยเห็น จิตใจมันดีมันมีปัญญาด้วยคิดอะไรทะลุตูปองทําไปบางบางอารมณ์ถึงก็ไม่อยากหลับไม่อยากนอนถึงก็ไม่อยากกินข้าวจยากไปอยู่คนเดียวในโลกนในโลกนี่ถ้ามีคนเดียวจริงๆจะไม่ส ม, มสุขหาความสุขเพราะวิเวก มันมีความสุขก็อยา่าไปหลงมันความสุขที่เกิดจากการวิเวกกายจะวิเวกอิจตวิเวกมันเกิดจากอุปทิวิเวกมันไม่ปฏิเสธอะไรหรอกอุปทิวิเวก ค, คือการสิ้นไปแห่งทุกข์ทั้งปวงอันนี้มันจะอยู่ตรงไหนก็ได้ที่ลุ่มที่ดอนที่ ่าที่บ้านที่ไรก็ได้แนวไปลงนลองพ่อเทียนเคยท้วงเอเราอยอารมณ์พอรู้ถอนอารมณ์สมมติบัญญัติเข้าถึงปรมาจิตจะเห็นฉินเห็นสมาธิเห็นปัญญาเห็นกุศลเห็น อ, อ ก, กุศลอบทวน มันลงตัวทุกอย่างเรื่องของชีวิตนะมันก็มีความสุขเปิดความสุขก็บอกหลวงพ่อเทียนว่าโอ้ในชาตินี้ผมไม่มีทุกข์แล้วหลวงพ่ อ, อยิ่บัดเน็ในชาตินี้จะมีกีนก่นาทีกี่วินาทีกี่วันกี่เดือนไม่มีแล้นทุกข์ทุกอย่าง มันสุขหาความสุขไม่เห็นหรอกมันสุขหลวงปูเทียงว่อยาไปเอาสุขอยาไปเอาสุกไม่เห็นมันไม่เห็นมันงงไปเลยโอเคศาปฏิบัติมาตั้งนานก่อจะมาเข้าถึงสภาพอย่างนี้ทำไมหลวงพ่อเทียนไม่ให้เอาความสุขเป็นเรื่องของคนปรารถนารักสุข พอเกลียดทุกข์พอมันเกิดผลเกิดความสุขขึ้นมาหลวงพเทียนมันบอกแคไปเอาแค่ไปเอาความสุขให้เห็นมันมันสุขเขาเห็นมันดูไถ้าไปเอาความสุขก็หยุดแค่นั้นแหละมันไปถึงไหนหรอกแล้วมันเมื่อมีความสุขก็ต้องมีความทุกข์คู่กันมันจะหนีจากโลกได้หรือที่แรกก็ตกใจเป็นงงงงเหมือนไก่ตาแตก คิดเสียด้เสียด้ความสุขเพราะว่าตแต่ก่อนเนี่ยมันก็มีแต่ทุกข์ก็มาเลื่อมมาถอนอะไรออกมันเกิดความสุขมันเบากายละหุตาจิตเระหุตาเบากายเบาจิตปีมือของเราทำมาเองจนยกย่องตัวเองจนุกมือไหว้ตัวเองโอ้เรา ก็ทำได้เช่เนี้นก็คุ้มค่าแล้วหลวงปูเ่เทียนหลวงปูเ่เทียนมาบอกแต่ไปเอาซุปดูมันมันซุป ก, ก็เห็นมันทุป ก, ก็เห็นอะไรในโลกเนี่ยที่มันเกิดขึ้นกับร่างกายกจิตใจนี่ไม่ได้เห็นมันแต่พื้นๆนั่นแหละพอมาจับไม่ได้อโอ้ยแบบ น, นี้ พอบ้าอะไรๆก็เห็นมันลสรุปได้ทันทีแล้วมันมันอยู่ตรงที่ดูนี่เองล่ะปดนถ้าว่าที่ดูนี่แหละตัวเพชรแข่งคำล่ะปรดนถ้าว่าแข็งก็แข็งเหมือนเพชรถ้าว่าอ่อนก็อ่อนเหมือนไมดูมันมันก็ไม่มีอะไรหลอกได้ ชีวิตอยู่ในกํามือเราแล้วก็เคยบอกคนหลายคนเขากําลังโตดเขากำลังทุกข์เขากํลากลงัาลงใส่ใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยู่ไปดูวัดที่เขาไปดูที่ที่เขามอบให้ที่ระยองเขาพากระเนินบุกป่าบุกลงไปพาป่าโค้งไปป่าลุ่มูเขาลูกนี่มันเป็นยังไง เขตแดนไปยังไหบุกไปคนที่ไปด้วยกัโกรธไม่รู้ว่าพระบุกอะไรไปเดินไปอะไรดูแล้วก็เท่านี้แหละทั้งบนทั้งเดินไปมาแบบโบกไปเรื่อยๆเดินบุกป่าไปเรื่อยๆนที่ไปด้วยกับบนบนไม่บนเฉยๆกัแสดงถึงความโกรธความไม่พอใจเขาก็บอกว่าดูมันดูมันไปเชื่อมันอะไนี้แหละลายสบายสบาย อยาไปตั้งคิดตั้งเดินตั้งบุก ป, ปา่าไม่ได้หรอกไปเรื่อยๆนู่นล่ะปไา่ได้ น, นู่นล่ะป่าสันแหลน น, นู่นล่ะไปถึง น, นู่นลพวกเราอย่าไปเชื่อมันอาการมันเท่านั้นแหละจะเกิดยากก็เป็นอาการมันจะเกิดอะไรก็เป็นอาการเท่านั้นนะมันไม่มยากไม่ไม่ง่ายหรอกการบุก ป, ป่าไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ใช่เรื่องยากเป็นจิตยาอาการของการใช้ชีวิตบางฉากบางมงุม แล้วก็หยุดบ่นแล้วก็หยุดหมุนหหม่นพุ้มผุ้มผุ้มผุ้มเก็เดินไปตอพ้นไปเราเขาก็บอกว่าโอ้หลวงพ่อทักท้วงได้ผลจริงจริงดูแรกมันก็เป็นอาการเฉยเฉยมันกําลังจะทุกมันกำลังจะโกรธพอหลวงพ่อทักท้วงนะ่อยโอ้มันร่วงเลยพางครั้งเคย้ยงิงลูกร่วงพุบธลงนั่นเอง ตั้งแต่นั้นมาเขาก็ได้หลักเหมือนกันติดตามปฏิบัติอันนี้ที่ที่เราทำเนี่ยมันไม่หันหลังใส่อะไรทั้งหมดมันหันหน้า่านสายตาทั้งหมดเพราะว่าที่ดูเนี่ยไม่ปฏิเสธเรื่องใดเลยสิ่งไหนที่เกิดขึ้นกับกายกับใจลูกหมดลูกกบลูดทุน่นลูกหมด ถามันเป็นสูตรมันก็เป็นสูตรอย่างที่พูดจุดประจำนี่แหละมันมีรูปธรรมมันมีน้มธรรมไม่รูปธรรมไม่น้ำธรรมเนี่ยที่เรายกมืออยู่เนี่ยมันเป็นรูปธรรมมันเป็นนามธรรมธรรมชอทอชะละอําธรรมทอโลทอทองลอเรือโมมาล่อเรือสองตัวโมมาเดี๋ยวตรงนี้แหละรูปธรรมนามธรรมมันทําดีมันทําชั่วธรรมชาติ โลกทุกนามทุกก็อยู่นี่แหละลูกโลกตามโลกลูกสมมุตินามสมมุติเดี๋ยวเราคำก็บรัยิวัตุอาการประามัดมันก็มีเท่านี้แหละทางมันไปเท่านี้แหละผ่านต้องได้ทั้งหมดแต่ว่า สิ่งที่คองและไม่มากลูกมันทำดีทำดีทำอะไรมีสติลูกมันทำชั่วมันขาดสตินามมันทำดีมันคิดดีสัรวมระวังนามมันทำชั่วมันคิดชั่ววังทีลูกกับนามันรวมกันทำดีทำชั่วทำบางอย่างมันครอบนามวอนละธรรมมันครอบนามศีลสมาธิปัญญามันเปิดเผย บางทีอาจทำมันครอบงำบางทีทำมันครอบงำผู้สนหรอกผู้สนก็มันก็มีแต่รูปทำนามทำ น, นั่นแหละเราจะมองเช่นความง่วงเอาจรนอนจมันเกิดขึ้นกับกายกับใจเทนาที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจก็บรูปอะไรมันครอบงำอาจทำหรือทำมันครอบงำถ้าอาจทำมันครอบงำ ม, มันก็ เป็นฝ่ายกุศลมันทำให้ง่หลงงมงายไปแต่ทำที่เป็นกุศลมีศีลมีสติมีศีลมีสมาธิมีปัญญามันก็ดีหน่อยแต่ว่าอย่าไปติดศ <c oughs> ีล น, นก่ก็ใช่ให้เพื่อเป็นทางหลุดพ้นมันก็เครื่องมือทำให้พ้นภัยได้ แล้วก็ศึกษาไปเนี่ยดูไปเห็นไปแล้วก็วิธีทาก็อย่าไปรีดตัวเองจนเกินไปคอยดักดูมันไปไม่ต้องลุกลรื่อลุกลนอะไรผ่านมาเห็นชัดๆมันเราศึกษามันพาดโอกาสนะเป็นความลงหน่อยพลาดหลายครั้งหลายคราว เราไม่พลาดความหลงก็มีปัญญาตรงนั่นก็มีความหลงทำห้เกิดปัญญาก็มีอาการต่างๆที่เกิดขึ้นกับกายกับใจเราก็พลาดใช่ไมไม่ได้ดูไม่ได้ใส่ใจไม่ได้ทำให้แจ้งความหลงก็ยังไม่ชัดเจนหลงจากกายหลงจากจิตหลงจากความคิดเนี่ยมันก็ไม่ชัด เห็นความหลงไม่ชัดเจนความหลงก็หลอกได้อีกมังาเราจับผู้ร้าย่ยการทรงศีลการหนุมจับขโมยมารักของได้ถ้าปล่อยไปเฉยๆมันก็ลอยแพถ้าจับได้หระจับไปเข้าคุก ออกจากคุกมาเขาก็มารักอีกจับวันนี้เขาไม่เข้ากก็เรียกชาวบ้านมาไปชุมกันนำมาพูดกันเอาลูกมันมาด้วยให้ลูกมันพูดด้วยมันมีความรู้สึกยังไงลกูกก็บอกว่าไม่อยากให้ใครเรียกพ่อมันว่าเป็นขโมยอยากมันก็อยากเห็นพ่อมันเป็นคนธรรมดากับชาวบ้าน ถ้าใครเรียกพ่อเป็นขมโขมยขโมยมันก็ไม่พอใจเขาก็บอกเขาก็พูดว่าไม่อยากให้พ่อเป็นขมโมยชาวบ้านก็พูดเป็นอันเดียวกันรู้แล้วว่าเขาเป็นคนอย่างนี้แล้วว่าเอาสังคมมาเพื่อล้อมกันให้สังคมเป็นคนดีไม่ใช่ให้ตำรวจไม่ใช่ให้ทหารเป็นคนดีมีอำนาจเอาสังคมมามีอำนาจลองดู เขาชมชนน่มาอกมาล้อมกันให้เขาลวกมันเป็นขโมยจก่งๆหลายครั้งหลายคราวแล้วแล้วขโมยจนวัดฝ่าสุโตเดือดร้อนเนี่ยไอ้นี่ไม่รู้ว่าเป็นยังไงตง่ต้องเห็เนเงียบๆนะเงียบๆอยู่นะแต่เราถ้าเราฉลาดก็กลายเป็นประโยชน์ ไม่ใช่เราเด่นคนเดียวไม่ตำรวจต้อมีกฎหมายมากัะเขาเราอะอะไรที่เราด้วยชื้สันทิศจอสร้อยกรุงเทพก็มีนายแพทย์คนหนึ่งอยู่ที่คนเทนเขาเจอคนไข้ที่เป็นหัวใจเป็นโรคหัวใจแต่ว่าต้องคือ <c oughs> เสื่ออะไรคนหมอเสื่อหัวใจเลยนะเออจะว่าหกหมืห่นนู่นแต่คนป่วยสองคนนี่เขาก็ไม่มีเงินเขาก็รอวันตายเฉยๆนายแพทย์ก็รู้เลิศวิชาการตรวจพบแน่นอนแต่นายแพทย์เท่านั้นเขาก็ไม่ยอมพยานเขาก็โทรไปบอกเอาจดสอนร้อยปรกาศให้ดือนให้น้อย อเดียนี้มีคนป่วยสองคนที่ไปโรคหัวใจสำลักจะตายอยู่จะต้องซื้อหัวใจลิ่นหัวใจมาตั้งหกหมื่นสองกันก็แสนสองไม่ใครพอมีศรัทธาไหมพอช่วยคนเพื่อชีวิตของคนสองคนได้ไหมจอสลายเขาก็ประกาศจอจอสลายประกาศก็มีคนบริจาค ก, กันเพีบเยบใลทีเดียวก็โทรมาให้หาหมอให้หมอผ่าตัดเล ย, เลย เอาเล่นหายใจไปใส่เลยในคนร่วมกันช่วยร่วมด้วยช่วยกันแล้วในสังคมไม่เฉลี่ยเป็นวิชาการอย่างเดียวอันมู่นนี่ เ, เห็นความบกพร่องลองลอ ง, ลองดูในตัวเราเนี่ยลองลองดูให้มาเห็นจริงจิงสักทีน่งความหลงความโกรธมนเนี่ยความทุกข์มเนี่ย เอามาเบร่ดูเอามาดูให้เหมืนชัดๆ ด, ดูสิอย่าปฏิเสธมันเลยทีเดียวเอามาดูคิมดูนี่หรือความหลงนี่หรือความทุกข์นี่ดูความง่วงนอนนอนมาน่ะต้องดูดีๆ ด, ดูสิต้องดูดีๆทำใจสบายๆ แม่้บางทีมันพูดกับหมดก็ได้นะครานึ่งเขาจะให้มีอยู่นี่ใหม่ๆมีก <c oughs> ่อนจะถวายที่ให้เขาชะเมาเราไปดูไปดูที่ที่เขาจะให้แล้วก็มีศาลาหลังเล็กๆแล้วก็ไปนอนอู่ตรงนั้นพอนอนลงนี่โอ้ยหมดมันมากัด เอาไปใช้โดรน ม, มันกัดแจ้งกันกัดลมลมลมลมก็ดูมันจริงๆริงโอ้ยไอ้มดเด้เจ้ากับตัวน้อยเ น, ย น, ย น, ยนยาะแตหลวงพ่อจะขายเจ้าเพีงเอาเมื่อลูไปมันตายเป็นรอยเป็นท่านแต่เราพอขายเจ้ายังมาเบียดเบียนกันพูดกับมดลงๆให้มันอยาให้มันถีกันไปให้มันห่างๆ ด, ด, ดูดี บางทีมดกัดก็ทุกขงโกรธทั้งหมดตายเป็นบาปรเราก็พูดกัหมดลงๆหมดเจ้าหมดได้เจ้าก็ตัวเล็กๆน่ะแล้วเราจะฆ่าเจ้านี่ยมดลูกไปแั๊บเดียวตายเป็นร้อยกองกันเลยแต่เราไม่ฆ่ามากัดกันทำไมว่าอย่นี้รูสิมันจะมีทำตรงนั้นก็ได้ จะมีเมตตาเกิดขึ้นตรงนั้นก็ได้จะมีปัญญาตรงนั้นก็ได้แล้วก็นอนต่อไปปกติกเราก็ใจใจ ด, ดีไปดีไปกค่ายไปเลยะถ้าเราไม่เมตต า, าจริงๆอะไรเราเอาความหลงออกหน้าออกตาเอาอารมณ์ออกหน้าออกตาไม่ใช่สติปัญญาใช่ความนุ่มนวลของความคิดอ่านอย่าไปคิดแบบหักตลักหักฟังกระทบกระเทือน ที่ไปโกรธให้หมดด้วยก็แล้วมันมีประโยชน์อะไรที่จะไปโกรธให้หมดมันไม่รู้เรื่องอะไรมัน่ของมดตีกแล้วามมดเกิดไปสวยก็โกรธแล้ว ก, ก, ก, ก็ทุกข์ด้วยต้องฉลาดสักหน่อยดูยนี่การปฏิบัติธรรมอย่าลุกลี้ลุกกลอนอย่าไปพ่อเอาอย่าไปดวน ทำให้มันชัดเจนกับเรื่องใดๆบางทีทําไปทําไปยกมือไปยกมือไปมันหลงแล้ยกมือไปยกมือไ ป, ม, อไปมันลู่อ้าวตัวดูไม่อยู่มันหลงก็ดูมันอยู่นี่แหละมันลู่ก็อยู่ดูมันอยู่นี่แหละเราจะดูมันอยู่นี่จำอย่างนี้ปฏิบัติทำมันจะเห็นอะไรชัดเจนดีดี จะได้ผลเรียนที่แม่นยำดีกว่าที่จะไปลุกลี้ลุกล น, านนะาการปฏิบัติธรรมนะโดยพอการเจริญสติโดยจะพร้อมแบบการเคื่อนไหวเนี่ยมันเปิดเผยไม่มองไปข้างเดียวมันมีตารอบมันมีหน้ารอบทันทีใครจะมาไม่เรานั่งอยู่นี่เราพูดอยู่นี่บัทงที เสียงน้ำข้างป่งป่อ ง, องมองดีก็เหมือนดนตรีมองไม่ดีก็เหมือนสับแบบโอ้ลำคาญเสียงอะไรโซ่ซ่ า, าล้ำคาเมื่อกี้เนี่ยโอ้เสียงอะไรไม่เป็นไรถ้าไปาไปอยู่ฝ่ายมหายาณ น, นะเคยไปอยู่วัดไฝ่ายมหายาณอัที่สวนมันต์เคาะเคาะด้วยก๊อกก๊อกไปด้วยนะแก็ว่าเขาได้อยู่สวรรค์อที่ไปสวดจบเนะ่ย คนป่วยเขาไปสวด่ะเวลาเราสวดเขายังไปเคาะขอให้ม้แต่กราบรองน่ะกราบองค์พระขอจะตีกระขังเกราบไปเลขสองเลยตีเฮิรกราบขง้งสามก็ตีเฮ้ยคยเห็นนะตีแล้วมันก็เป็นดนตรีเสียงเนี่ยเป็นดนตรีไปรำคาญอะไรง่ายๆกันแต่ ไปสวดศพที่วัดตันน่ะไม่ใช่ศพศพคนป่วยตนเลงใกล้จะตายเลยหายใจแงบๆอยูการสวดของเขาก็ไม่ได้สวดเอมิโตโผอมิโตโผเขาว่าเป็นทานองนะเขาอยากให้คนป่วยได้ยินเสียงอมิตตพุธไปพูดอมิโตโผอมิตโผอมิโตโผล่ใ้โโคนป่วยจิตของเขาฟังอมิโตโผล่จะได้ตายไปอยู่กับพระ อ, อมิตพุธ เอาไปเยืนข้างเตียงสวดพอเขาสวดด อ, อกแล้วเราเข้าไปสวดเราก็เข้าไปสวดาา ส, วดสติสังขารเนจ่าสังขารคือร่างกายจิตใจก็จะกี่นะไปด้วยกันได้เราใช่ไหมเอาไปสวดที่ไหสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดเช่นแล้วดับไปไมีแล้วหายไป เขายังม ไ, ไม่ตีกาะอยู่นะเขาไปสอนกันถ้ามาตีกอกๆใครให้เราอยู่อันนี้น เ, นเสียงน้าข้างตกนี่ก็ถ้าจะเปรียบันขกก็ได้อะไรก็อย่าไปลำคาญทั้งหมดดูทีดีมันจะมีปัญญาไม่ยุ่งไม่ยากอะไรถ้ามีสตินมันง่ายจริงๆมันจะดวกไม่ปฏิเสธเรื่องใดไม่ต้องไปรับหูรับตา ไอ้ตอยมันนั่งจนตัวแข็งถือเอาเราจะนั่งได้แปดชั่วโมงให้ต้องดอกสลับฉากไปเรื่อยๆฉากไหนมันไม่ชัดเจนเปลี่ยนไปเลยนั่งอยู่ม ng ung, ng ung, ันงงงงจนจนก็ลุกขึ้นเดินไปเทคนิคหลายอย่างหามาจะไปจนหาทางพบทางให้ได้แล้วแยกทางออกโดยเฉพาะการจเจริญสติปัฏฐาน เชินเดนนั่งนอนยิ้มคู่เหยียดเพื่อนไหวเอาลงไปหายใจแรงๆรงลองดูหยุดพักหายใจแรงแงเนะสลับฉากเหมือนนักมวยเขาต่อยหวันเขาเล่นกิล่าหาฉากไงไอบอลทับหน้าทับหลังจะวิ่งยังไงจะดับตรงไหนลองทูไม่มีสูตรสำเร็จเขาปับตรงของของเขาไปเลย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 แล้วก็อบอุ่นใจมีเพื่อนมีมิต ม, ม, มากมายอันนี้หลวงพ้อก็จะได้ไปทำมาไปกะักะกติมันรั่วเอายาเอายอายแฝกมุงอะ่ะตอนหน้าฝนซู่ซูเขารั่วแล้วหลวงพ่อไม่อยู่ฝนตกมาของเสียกหมดกาจะไปทำกะติสักวันสองวันนะ